ครอบครัวในโลกทิพย์ครอบครัวในโลกมนุษย์ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเด็กเด็กรุ่นลูกหลานโตขึ้นทุกวันทุกคืนและต่อมาก็อาจจะแต่งงานแล้วยากาไปอยู่กับครอบครัวของตนหรือไม่ก็อาจต้องย้ายที่อยู่เพื่อประกอบธุรกิจการงานตามหน้าที่ดังนั้นหน่วยของครอบครัวแต่ละครั้งก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆ และแล้วในที่สุดก็ตายจากกันไปด้วยเหตุนี้สมาชิกของแต่ละครอบครัวจึงมีไม่กี่รุ่นนักเช่นอย่างมากก็จะปู่หรือทวดไปจนถึงหลานเหลนเป็นต้นนี่คือสภาพของครอบครัวในโลกมนุษย์แต่ในโลกทิพนี้สภาพของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกับครอบครัวในโลกมนุษย์หลายประการประการแรกก็คือครอบครัวในโลกทิพ มีบุคคลหลายกลุ่มเหลือเกินที่มาอยู่ร่วมกันเรียกว่านับไม่ได้ว่ากี่ชั่วคนทีเดียวและก็เลยไม่ทราบว่าจะเรียกว่าใครอยู่กับใครกันแน่นี้เป็นประการหนึ่งประการที่สองก็คือในโลกทิพความสัมพันธ์ทางสายโลหิตอันสืบเนื่องมาจากโลกมนุษย์นั้นมีค่าน้อยกว่าความผูกพันทางใจมากสิ่งที่สาคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือ ไมตรีจิต ท, ที่มีต่อกันและความสนใจหรือรสัยมที่ตรงกันกฎนี้เป็นกฎที่ใช้ได้เสมอไปในทุกกรณีและทุกรายตั้งแต่ระหว่างสามีกับภรรยาไปจนถึงพี่กับน้องบิดากับมารดาและอื่นๆทั้งหมดซึ่งรวมถึงระหว่างมิตรต่อมิตรด้วยโดยไม่เลือกฐานะและเพศวัยดังนั้นบุคคลที่มีความผูกพันทางใจต่อกัน จึงสามารถอยู่ด้วยกันได้เส ม, มือนญาติในครอบครัวเดียวกันส่วนผู้ที่แม้เป็นญาติกันมาแต่เดิมแต่เมื่อไม่มีความผูกพันทางใจต่อกันก็ไม่มีการเกี่ยวข้องหรืออยู่ร่วมกันแต่อย่างใดอันหนึง่งเนื่องจากในโลกทิพนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ณที่ใดก็ได้ตามใจชอบถ้าเราชอบใจที่จะหาเพื่อนมาอยู่บ้านด้วยกันเราก็จะพบผู้มีความปรารถนาอย่างเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งโดยมากก็เป็นเช่นนั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจมีรสนิยมตรงกันและเคารพนับถือกันละกันการมาอยู่ร่วมกันเช่นนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดและสามารถจะเรียนรู้จากกันละกันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเองก็ได้หรือในบางครั้งถ้าเราต้องการจะปลีกตนไปอยู่ตามลาพังก็ยอมทาได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะเป็นการเสียน้าใจของผู้อื่นแต่อย่างใด ความจริงเรื่องนี้จะเห็นได้จากตัวอย่างจากชีวิตจริงของข้าพเจ้าเองเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ามาสู่โลกที่ใหม่ๆนั้นข้าพเจ้าก็มีบ้านอยู่ต่างหากตามลําพังและในระหว่างที่เอ็ดวินเพื่อนผู้อาวุโส ข, ของข้าพเจ้ารับหน้าที่พาข้าพเจ้าชมบริเวณสถานที่ต่างๆแห่งโลกใหม่และชีวิตใหม่ๆอยู่นั้นเราก็ได้พบสตรีผู้มีสเสน่ห์ผู้หนึ่งชื่อรูธเราทั้งสามจึงร่วมทางไปด้วยกัน และในที่สุดก็เกิดความคิดขึ้นว่าควรจะร่วมทำงานด้วยกันแล้วเราก็ได้ร่วมทำงานด้วยกันตั้งแต่นั้นมารูดและเอ็ดวินต่างก็มีบ้านนั้นน่ารักเป็นที่อยู่ของตนเองแต่ละหลังเช่นเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งในบ้านทั้งสองนั้นก็อยู่แต่ลำพังคนเดียวแต่ทั้งสองคนนั้นก็มาใช้เวลาอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้ามากกว่าที่บ้านของตนเองเสียอีก และแม้ว่าทั้งสองจะมาคลุกอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าเป็นเวลานานๆโดยไม่มีผู้ใดดูแลรักษาบ้านของตนแต่อย่างใดก็ไม่มีเรื่องต้องวิตกว่าจะมีข้าวของที่มีค่าหายไปเลยเขาอยากจะกลับไปเมื่อใดก็กลับไปได้และก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของเขายังอยู่เป็นปกติดีทุกประการมีบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งพึ่งมาสู่โลกทิพย์ใหม่ ชื่อกอดอนซึ่งก็ได้มาอยู่กับเราเป็นปกติบ่อยๆเช่นเดียวกันบุคคลผู้นี้ในระหว่างที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้เคยติดต่อกับเราอยู่หลายปีโดยที่เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางนี้คือเป็นผู้มีตัวเป็นสื่อและเข้าสมาธิได้ดีในตอนที่กายเนื้อของเขาถึงความแตกดับนั้นข้าพเจ้ากับรูทได้เป็นผู้ไปช่วยพาวิ ญ, ญญาณของเขามาสู่บ้านของเรา เขาได้ฟืน้นตื่นขึ้นมาในบ้านของข้าพเจ้าและได้เห็นโลกใหม่โดยมีเพื่อนฝูงเก่าๆบางคนมาคอยต้อนรับอยู่ด้วยความยินดีพร้อมกับนกกระจอกตัวน้อยสองตัวสุนัขของเขาและเสือพูม่าอันสวยงามอีกสองตัวด้วยดังนั้นจึงได้กล่าวได้ว่าบ้านของเราเป็นบ้านที่คึกคักเอาการเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขสนุกสนานด้วยกันทำงานด้วยกันต้อนรับเพื่อนฝูงด้วยกัน แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆภาพชีวิตดังที่เห็นในบ้านของข้าพเจ้านี้เป็นของธรรมดาในโลกทิปคือผู้ที่มีนิสัยต้องกันก็ยอมอยู่ร่วมกันโดยอาศัยความผูกพันทางใจนั่นเองเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นในทางการงานหรือการเล่นก็ตามดังนั้นเราทั้งห้าคนคือเอ็ดวินรูข้าพเจ้ากอดอนและโรเจอร์จึงตั้งใจว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไป จนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเราคนใดคนหนึ่งได้มีภูมิธรรมในทางจิตสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถเลื่อนขึ้นไปอยู่ภูมิที่สูงขึ้นไปกว่านี้จึงจะจากกันไปช่วงระยะเวลาหนึง่งตามธรรมดาของสภาพชีวิตในโลกทิพย์มีสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันอย่างพาสุขหลายต้นหลายคู่เหมือนกันในโลกทิพย์นี้โดยต่างมีบ้านอันน่ารักกระทัดรัดของตนเองตามลาพัง มีคู่หนึ่งซึ่งเคยเป็นสามีภรรยามาก่อนในโลกมนุษย์ซึ่งต่างก็มีนิสัยต้องกันและมีความผูกพันทางใจต่อกันอย่างไม่ขาดสายเขาจึงได้มาอยู่ด้วยกันดังเดิมอีกแต่ก็อาจจะมีการที่เพิ่งมาได้พบกันในที่นี้แล้วรู้สึกว่ามีอัธยาสาัยต้องกันและเลยอยู่ด้วยกันต่อไปก็ได้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งสาคัญของการอยู่กินร่วมกันในโลกนี้ มีใจขึ้นอยู่กับความเป็นญาติร่วมสายโลหิตกันในโลกมนุษย์หรือความเกี่ยวข้องกันในแบบอื่นๆในโลกมนุษย์เลยแต่เป็นเพราะความมีรสนิยมตรงกันมีอธัธยาศัยต้องกันและมีความผูกพันทางใจระหว่างกันและกันนั่นเองดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าเข้าใจหลักการดังกล่าวมานี้แล้วก็เป็นหมดปัญหาเรื่องที่ว่าใครจะอยู่กับใครในที่นี้ คำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรมาเหตุข้อที่สิบสาในเรื่องของกอดอนจะปรากฏนกกระจอกสุนักและเสือพูม่าในข้อนี้ไม่มีอะไรจะต้องอธิบายอยีกเพราะที่พูดมาแล้วในมาเหตุข้อที่สิบแต่การที่ข้าพเจ้าต้องหมาเหตุเ อ, อาไว้อีกก็เพื่อให้เป็นข้อสะกิดใจว่าในสุขติภูมิก็มีสติรชาญเหมือนกัน มาเหตุข้อที่สิเรื่องสามีภรรยาการอยู่ร่วมกันปัญหาเรื่องการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันในฐานะส า, ามีกับภรรยาเป็นประเด็นหนึ่งที่มีคนสงสัยกันมากทั้งนี้ก็เพราะความเป็นห่วงว่าเมื่อตอนเองตายไปแล้วจะไปมีสามีภรรยาได้หรือไม่บางคนมีความรู้สึกว่าถ้ามีไม่ได้ในสวรรค์ก็ดูจะไม่มีความหมายอะไร เราะความรู้สึกที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจคนเรามากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความรักระหว่างเพศเนื่องจากสิ่งสิ่งนี้ให้ความสุขสําราญแก่คนเราเป็นอันมากทำให้คนเรามีชีวิตชีวาคือมีความสดชื่นร่าเริงขยันในการทํางานคิดสร้างตัวสร้างฐานะและยินดีที่จะเผชิญกับความยากลําบากต่างๆแต่ความรู้สึกของคนส่วนมากมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่ง คือทุกคนต้องการแต่งงานถ้าไม่ได้แต่งงานก็รู้สึกว่าชีวิตจะไม่มีความหมายเพราะเหตุที่คนส่วนมากมีพื้นความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นจึงอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าในโลกทิพย์โดยเฉพาะในสุขติภูมินั้นจะมีการอยู่ร่วมกันในแบบสามีภรรยากันหรือไม่สำหรับปัญหาข้อนี้ข้อความในหนังสือโลกทิพย์ตอนนี้ก็ได้บอกไว้ชัดเจนแล้ว แต่ข้าพเจ้ากราที่จะขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยกล่าวคือขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจว่าการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยารวมทั้งการเสพเมทุนธรรมสิ่งเหล่านี้มีได้จริงๆและจะอยู่กันเป็นคู่คู่เหมือนกับที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่านี่เป็นแต่เพียงมุมหนึ่งในโลกทิพย์เท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงทั้งหมดเพราะโอปปาติกะ อยู่ในสุขติภูมิและยังอยู่ในชั้นกามาพจรแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะอย่างนี้ก็มีมากมายและมีมากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยเช่นอย่างที่เราเคยทราบกันมาว่าเทพบุตรบางองค์มีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายหรือถ้าจะพูดกันอย่างภาษาในโลกมนุษย์ก็คือมีเมียมากเป็นจํานวนเรือนร้อยเรือนพันและบางองค์ก็มีมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่า จะปฏิบัติในฐานะเป็นสามีได้อย่างไรในเมื่อภรรยามีจำนวนมากมายถึงขนาดนั้นและพวกเหล่านี้มีทะเลาะ ก, กันหึงหวงกันจนกระทั่งไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายรอกหรือและในเมื่อเป็นเช่นนี้จะเรียกว่าอยู่ในสวรรค์ได้อย่างไรอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเรียนถามโอปปาติกาบางองค์มาแล้วและก็ได้เขียนคาตอบลงในหนังสือวิ ญ, ญญาณมาหลายเดือนแล้วซึ่งภายหลัง ก็ได้รวมอยู่ในหนังสือแววเสียงสวรรค์แต่เพื่อต้องการให้คนที่ยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ได้ทราบจึงขออธิบายอีกครั้งหนึ่งดังต่อปนีนี้โดยธรรมดาผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรมีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายนั้นจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตับ ป, ปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปและผู้ที่จะไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นบริวารของเทพบุตรองค์ใดก็ต้องเป็นคนที่มีภูมิธรรมใกล้เคียงกันไม่เช่นนั้น จะไปอยู่ในภูมิเดียวกันนั้นไม่ได้คนโดยมากเมื่อนึกถึงเรื่องความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงก็จะต้องนึกถึงเรื่องเมธุนธรรมคือการมีเพศสัมพันธ์และมักจะคิดไปจากความรู้สึกของตัวคิดในขณะที่ตนเองยังเป็นมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเมื่อตัวเองอยู่ในฐานะเช่นนั้นก็คงจะต้องทาเหมือนกับที่ตัวเองยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ความเป็นจริงแล้ว ในสวรรค์บางภูมิเรื่องเมตุนธรรมไม่มีแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพวกที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพจรก็ตามเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยถามโอปปปาติกะบางท่านที่อยู่ในภูมิเหล่านี้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยประพฤติตนในทางเมตุนิธรรมเลยเนื่องจากในสวรรค์มีแต่สิ่งที่จะให้ความเพลิดเพลินและให้ความสุขสำราญจนกระทั่งทําให้จิตใจลืมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและสิ่งแวดล้อมที่ดีงามทั้งหลาย ที่มีอยู่ในสวรรค์นั้นก็จะทำให้รู้สึกว่าการประพฤติในทางเมถุนธรรมเป็นของต่ำและไม่มีความจาเป็นมาเหตุผู้อ่านในที่นี้ก็น่าจะรวมถึงไม่มีฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศด้วยนะครับซึ่งในโลกมนุษย์แม้แต่อาหารหรือสมุนไพรบางอย่างก็เป็นตัวกระตุ้นความต้องการทางเพศได้เช่นกัน อีกประการหนึ่งการที่เทพบุตรองค์ใดก็ตามจะมีนางฟ้ามากน้อยแค่ไหนเป็นบริวาร น, นั้นขึ้นอยู่กับคุณธรรมและความสามารถที่เขามีอยู่และการที่มีนางฟ้าเหล่านี้มาเป็นบริวารก็ามาเป็นด้วยความสมัครใจผู้ที่มาก่อนจะยินดีต้อนรับผู้ที่มาภายหลังเสมือนหนึ่งพี่ต้อนรับน้องและการที่คนเหล่านี้สมัครใจอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เช่นนั้น ก็เพราะมีอุดมคติมีนิสัยใจคอคล้ายคลึงกันและที่ไปเป็นบริวารของเทพบุตรองค์ใดองค์หนึ่งก็เพราะพอใจในคุณธรรมในความสามารถตลอดถึงรูปร่างบุคลิกลักษณะของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งในเมื่อตอนเองได้อยู่ใกล้ก็จะทําให้ตนเองมีความยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมจิตใจเจริญก้าวหน้าในทางความดีเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนจําเป็นต้องยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่ง และแน่นอนเลยเกินว่าถ้าหากพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่เราก็จะได้ลายเห็นว่าสาวกที่เป็นบริวารซึ่งพอใจที่จะติดตามพระพุทธองค์ไปในที่ต่างๆนั้นมีจำนวนมากมายแต่แม้บางคนไม่มีโอกาสที่จะติดตามไปก็จะมีใจระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เสมอในคำภีพระพุทธศาสนาเคยมีกล่าวไว้บ่อยครั้งว่าเมื่อพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมในสวรรค์ พวกเทพธิดาทั้งหลายก็มักจะบอกกับพระโมคคัลลานะว่าขอให้ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าให้รีบมาเกิดในสวรรค์พวกเขากำลังรอคอยอยู่อย่างนี้เป็นต้นในสวรรค์ความผูกพันในทางจิตใจในด้านคุณธรรมเป็นสื่อสำคัญที่สุดที่จะดึงวิญญาณที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้มาอยู่ร่วมกันและควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าพวกนางฟ้าที่เป็นบริวารเหล่านี้ ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเทพบุตรองคใดองค์หนึ่งตลอดการหรือจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันตลอดไปนางฟ้าเหล่านี้เขามีสิทธิโดยสมบูรณ์ไม่มีใครบังคับและไม่มีใครว่าหากตัวเองสมัครจะมาอยู่กับเทพบุตรองค์ไหนและจะโยกย้ายไปรวมกลุ่มอยู่ในที่ไหนก็ตามทุกคนทําได้เหมือนกันหมดในสวรรค์มีสิทธิเสรีสมบูรณ์ยิ่งกว่ามนุษย์มากมาย แก็โปรดจำไว้ด้วยว่าการที่บุคคลเหล่านี้มีสิทธิสมบูรณ์ก็เพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะจะทำอะไรไม่ทำด้วยอารมณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลเหล่านี้ได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่มีคุณธรรมเหมือนกันข้าพเจ้าคิดว่าแม้ในรวงมนุษย์เองก็เหมือนกันในครอบครัวใดพ่อแม่และลูกถ้าหากเป็นคนที่มีคุณธรรม จะทำอะไรก็ทำไปตามเหตุผลไม่ประพฤติตัวในทางชั่วหรือทำความเดือดร้อนให้แก่ใครในครอบครัวเช่นนี้แต่ละคนก็มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ใครจะทำอะไรจะไม่มีใครขัดขวางเมื่อคนใดคนหนึ่งตั้งใจจะทำอะไรคนอื่นเขาอาจจะถามถึงเหตุผลแต่ใ น, นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอะไรตามเหตุผลคนอื่นก็ยอมใจเห็นด้วยและเต็มใจสนับสนุน คนที่มีเทวธรรมคือคนที่มีหลักทางใจหรือหลักแห่งความประพฤติเหมือนกับพวกเทวดาทั้งหลายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายมีจิตใจเยือกเย็นมีสัพพุริสธรรมบุคคลนั้นปราดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกคนประเภทนี้แม้จะยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ แต่ในเมื่อในด้านจิตใจเขาได้เป็นเทวดาแล้วเมื่อเขาจุติจากมนุษย์และในขณะที่จุติจิตก็เป็นกุศลไม่มีตัณหาราคะหรือกิเลสอย่างอื่นเข้ามาพัวพันก็เป็นการแน่นอนว่าเขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตามภูมิแห่งคุณธรรมของเขาข้าพเจ้ากลายจึจะขอเตือนอีกสักเล็กน้อยว่ามนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายถ้ายังมีสันดานหึงหวง และเป็นการหึงหวงยังไม่มีเหตุผลบุคคลประเภทนี้ตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ดังที่กล่าวมานั้นไม่ได้เพราะการหึงหวงแสดงให้เห็นได้ว่ายังมีตัณหาราคะหยาบยังมีความโลภในเรื่องวัตถุอยู่มากและควรจะเข้าใจไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากผู้หญิงคนใดมีจิตใจสูงมีคุณธรรมดีเด่นสามารถเป็นที่พึ่งในทางใจแก่ผู้ชายทั้งหลายได้ ผู้หญิงประเภทนี้เมื่อตายไปเกิดในสวรรค์ก็ย่อมจะมีเทพพระบุตเป็นบริวานได้เหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านคำว่าบริวานไม่ได้หมายถึงผู้ติดตามในแบบค่ารับใช้เทียบกับทางโลกมนุษย์ก็คล้ายคนไปรวมตัวกันทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสุขที่จะอยู่ใกล้กันร่วมกันคิดร่วมกันทา ในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันซึ่งคำว่าบริวารบางทีก็มาในรูปของเพื่อนฝูง